ชายกอลผมเรียนอยู่ปอสองเล่นจบเทอมสองผมจะขึ้นไปปสาการเรียนในวันไม่ยากเท่าไหร่หร อ, อกมันก็แค่ทําตามที่ครูบอกผมเรียนมาได้วันวันผมเรียนมาได้วันวันแต่สิ่งหนึ่งในใจจะไม่กล้าบอกใครจะมาบอกพวกพี่ในวันนี้ติดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าบอกใครจะมาบอกพวกพี่ในที่นี้คือผมนะคือผมนะคือผมนะคือผมนะเมืองเราได้อย okay, ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวจะเล่า เลยอยู่ว่าผ ม, มชอบผู้หญิงคนนีงมากชื่อป้าฟาดแต่ตัวใหญ่หน้าใสนิสัยใสน่ารักแบบว่าผมยอมตายก็ได้ยัง ไ, ไ, ไม่เคยได้คุยกันแล้ไม่เคยได้คุยกันได้ข่าวว่าเธอจะย้ายย้ายโรงเรียนจบวันนี้คงไม่ได้เจอแล้วนานในเมืองเปิดโทรเปร์โทรแล้วก็ยังไม่มี No money, that's all I need.